ส่วนที่สามยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีพุทธพทธ์โลกันตานรกมีแต่ความทุกข์มืดคลุมเป็นหมอกมัวสัตว์ในโลกันตานรกนั้นไม่ได้รับรัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากถึงขนาดนี้แต่ความมืดอย่างอื่นที่ยิ่งกว่า และน่ากลัวกว่าความมืดแห่งโลกกันแต่นรกนั้นมีอยู่คือความไม่รู้ตามจริงว่ากายใจเป็นทุกข์ต้นหาเป็นเหตุให้เกิดทุกนิพพานมีอยู่ทางที่จะเข้าถึงนิพพานมีอยู่โดยความไม่รู้นี้ก็ย่อมยินดีไปในความปรุงแต่งทั้งหลายย่อมตกไปสู่ความมืดคือความเกิดเป็นไปเพื่อความรับแค้นใจและย่อมไม่อาจพ้นทุกไปได้จาก อันทกาลีสูตรพระเจ้าจากกักรพรรดิซึ่งเสวยราชสมบัติเป็นอิสราธิบดีในทวีปทั้งสี่นั้นเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วยอมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือได้ไปอุบัติในหมู่เทพชั้นดาวดึงเท้าเธอแวดล้อมไปด้วยหมู่นางเทพอับสรเอิบอิ่มเพราะความพรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องบำเรอกรมคุณทั้งห้าประการอันเป็นทิพสถิตยอยู่น น, นันทวันอุทยาน บนดาวดึงพิภพนั้นโดยตลอดได้ก็จริงอยู่แต่ถึงกระนั้นเท้าเธอก็ยังไม่มีเครื่องประกันว่าจะพ้นจากนารกภูมิยังไม่พ้นจากเดรัจฉานภูมิยังไม่พ้นจากเปรตภูมิไปได้ส่วนอริยาสาวกแม้เยียวยาอัตภาพด้วยคำข้าวที่สแสวงหามาด้วยปลีแข้งนุ่งห่มผ้าปอนๆก็สามารถพ้นจากนารกภูมิเดรัจฉานภูมิ และเปรตภูมิได้อย่างเด็ดขาดเพราะประกอบด้วยธรรมสีประการคือ 1. เลื่อมใสไม่หวั่นไหวว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐสุดไม่มียิ่งไปกว่านี้จึงสอนได้ทั้งมนุษย์และเทวดา 2. เลื่อมใสไม่หวั่นไหวว่าพระธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนไม่จากัดการส เริ่มใส่ไม่หวั่นไหวว่าพระสงฆ์ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจ้าสอนก็จะเป็นผู้ไปดีถึงทำอันวิเศษคือมรรคผลถึงที่สุดทุกข์เป็นพระอรหันตตะขีนาศได้ 4. เป็นผู้หนักแน่นในศีลไม่ขาดทะลุไม่ด่างพร้อยจากโสตาปฏิสังยุตเวรุทวารวักที่หนึ่ง ราชาสูตรมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์พวกเราเป็นจิตวิญญาณที่หลับหลับตื่นตื่นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนกรรมแต่ไม่เปลี่ยนอุปาทานว่ามีตัวเราจนกว่าจะฝึกรู้ความไม่เที่ยงในกายใจ การฝึกรู้ความไม่เที่ยงในกายใจจึงเป็นสิ่งที่สมควรทำที่สุดขณะยังมีชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสชี้ให้เห็นว่าถึงแม้เป็นหมายเลขหนึ่งของแผ่นดินได้ชื่อว่าพระเจ้าจักรพรรดิชาติถัดไปก็ยังเสี่ยงต่อการลงนรกอยู่ดีต่างจากผู้เพียรเจริญสติให้ถึงความเป็นโสดาบันบุคคลขึ้นไปเที่ยงที่จะไม่ตกต่าไปสู่กาเนิดนรกอีก หากมองการกายอย่างนี้ก็ต้องตัดสินว่าเป็นโสดาบันดีกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิข้อที่ว่าพระโสดาบันมีศีลหนักแน่นไม่ขาดทะลุไม่ด่างพร้อยนั้นเป็นไปได้จริงเพราะจิตไม่เอาบาปตั้งแต่อยู่ในมุงนั่นเป็นธรรมดาของผู้เห็นอยู่ว่ากายใจไม่ใช่ตัวของตนใจย่อมพระออกใจย่อมทวนกระแส ไม่ยินดีไหลาตามอำนาจดึงดูดของกิเลสอันตั้งอยู่ในกายใจไปก่อกรรมชั่วเมื่อไม่เอาบาปอันเกิดแต่การละเมิดศีลห้าประการแล้วจะเอาประตูนรกมาแต่ไหนเหล่าการเจริญสติที่เริ่มได้ผลวัดง่ายๆจากที่เมื่อเกิดอะไรขึ้นกับกายใจนี้คุณจะรู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องของกายหรือเป็นเรื่องของสุขทุกข์หรือเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของคุณ คุณแค่ให้กายใจทำงานตามหน้าที่ส่วนคุณมีหน้าที่รู้หน้าที่ดูอยู่ต่างหากด้วยความไม่ยึดมั่นว่ากายใจคือตัวคุณ